ดีนั่งไรเท่าทานี่แหละพืชระเบิดที่บอกไปใช้กับชีวิตประจําวันมันชีวิตประจำวันเราก็ต้องดูอย่างนี้เนี่ยปฏิบัติทํารูาร้อย่างเนี้เนี่ยนั่งอะไรถนัดพี่นั่งอะไรปวดเมื่อเดี๋ยวมันปวดเมื่อยด้วยการขยับแค่งขยับหายยังไงหายปวดเมื่อยยืดเนื้อยืดตัวให้มันสบายไม่เกง็งเดี๋ยวสังเกตุกเกร็งไหมเนี่ยเำามาดูกา ย, ด, กายดูกายแล้วรู้อย่างนี้พอเรานั่งอยู่นี้ที่เรานั่งอยูดู เ, เวลาซ่อนทับเจ็บนจะเจ็บแล้วขยับนิดหนึงหายแลขยับโยนหาที่ที่ว่าเออมันไม่เจ็บเราต้องดูให้ต่อเนื่องกายเหมือนกันเราก็ไม่เกงนั่งตัวตรงสบายหรือนั่งตัวองอสบายเดี๋ยวอย่าเพิ่งเคลือ่อนนะฟังก่อนเดี๋ยวบอกชี้ให้ชี้ให้ดูเนี่ยโวกมากเลยทีถ้าไม่ฟังไม่ฟังคาแนะนาเออเนี่ยนะยังไงให้รู้ยังไง นาะจึงเรียกว่าเจริญสติคือคำว่าสติแต่ว่ารู้สึกรู้ความรู้สึกของเรารู้กายรู้ใจของเราแล้วถ้าเราไม่ได้นั่งที่เราก็ทำไปเรื่อยมันไม่รู้ก็มันก็เชินอย่านี้มันไม่สบายก็ทําไปตามมันไม่สบายมันก็จะสะสมมา น, นี้แทนนี้ถ้าเรารู้ตัวนี่ถ้านนเราดูให้ต่อเนื่องที่มันจะสะส ม, มสยังไงสภายก็เห็นความสบายอยู่แล้วไม่มีทุกข์ ก็สบายแล้วก็ไม่ทุกข์ทีนี้บางครั้งสบายแล้วก็ไม่รู้ไม่สบายก็ไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ทุกข์อันเรียกว่าทุกข์คนกำหนดรู้อ่าให้ ร, รู้จักรู้แล้วก็แก้ไข่ะรู้แล้วต้องแก้ไม่ใช่รู้ว่าทุกข์แล้วก็ปล่อยแช่อยู่กับทุกข์มันไม่ใช่ต้องรู้จะแก้ไขด้วยเป็นไงหายใจเข้าออกเป็ไงป่อยโฟนะมไหมอ่านอ่านเนื้อตอนสังเกตุดูให้นานๆต้องดูไปต่อเนื่อง เรารู้จักไม่อันในกัน้นก็โปร่งเบาขึ้นเนี่ยเรือรู้สายรู้ใจเนีย่ยรู้ใจแล้วนี่ไม่อันไม่กัน้นร่างกายก็ไม่เกรงเนื้อเกรงตัวจะเป็นไงเบาไหมเบาทันทีถูกแล้วพอรู้อย่างนี้จิตก็ไม่ยึดถือมันก็ปล่อยแล้วนี่นักส่วนมากคนเราจะมองข้ามตรงนี้นวปมุมงเพื่อเอาอะไรล้วไม่รู้ว่าโทษไปแนะนํนาไปทนแนนหน่งยังไง แต่ไม่ได้รู้ที่ตรงนี้นี่ก็มาศึกษาที่ขายที่จวนันนี้หยุดล้างหยุอเอเหดเอวยัง่ายปวดเมื่อยนั่งไงไม่ปวดเมื่อยง่ายเรารู้ได้ความรู้สึกไงที่ไม่ปวดเมื่อยอ่ามันยังเพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ปวดอีกที่เราจับปั๊บดีกว่าดีเดี๋ยวก็เมื่อยนะใหเราต้องดูให้ต่อเนื่องหน่อยหนึ่งเมื่อนิดนึงขยับนิดก็หายแล้วจะไม่ปวดเมื่อยเลย พะเราเคยแก้ไขยอยู่เรื่อยๆค้ว่าแก้ทุกแก้ทุกนะก็ออกจากทุกแต่อยู่กับทุกเคยแก้ไขมันก็ไม่ทุกนะเราไม่ทุ ก, กแต่มันแต่มันทุกอ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเราก็ไม่หมงุดหงิดเราก็ไม่ลองคาอ่าเนะนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติครามรู้จักอย่างนี้ความให้ดีๆให้รู้จักอย่างนี้นะ หายใจยังไงถึงรู้สึกปลอดโป่งโล่งอกโล่งใจดีต้องรู้จักที่าเราดูถ้าเรารู้จักหายใจยังไงถึงรู้สึกปลอดโ่งล่งอกโล่งใจดีอย่นี้สอนกันไม่ได้ถ้าไม่รู้จักหายใจยังไงถึงรารู้สึกเบาเนื้อเบาตัวก็ดูฟังรู้สึกของดูฟังรู้สึกไม่ใช่เรารู้สึกถ้าเป็นเรารู้สึกจะไม่เห็นะเลยดูธรรมดาเป็นเรารู้สึก โดยอีกทีเดี๋ยวนี้เรารู้สึกไงความรู้สึกของมันเป็นอย่างไรความรู้สึกสบายไม่สบายเห็นความรู้สึกมันสบายไม่ใช่เราสบายไม่ใช่เอาความรู้สึกมาเป็นเรานี่หายใจยังไงอย่างนี้มีความรู้สึกปอดโปร่งลม อ, อกลมใจดีเบาเนือ้อเบาตัวดีขาเทาความพอดีหายใจแค่ไหนไนิดเขาดียาวจนไปมันทำไม ไม่เป็นธรรมชาติผิดปกติสบบั้นบปมันก็นั่นนะนั่นถ้าเราดูอยู่เรื่อยๆน่า เ, เ, เราจะได้ความพอดีให้ความพอดีเนะี่ยยังไม่ทุกเพราะคนเราที่มันทุกข์เพราะมันไม่พอดีก็เลยต้องดิ้นรนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้จักตรงนี้นะถ้าไม่รู้ก็ดิ้นไปเรื่อยๆดิ้นไปจะหาความสุขหาความสบายนะยั่นแหละบางทีงเพิ่มทุกขีซะดิหายใจเงย ต, ต, ตืวนึกตัวนทะี่ว่าโอ้สุดตื่น ไม่ง่วงเงียไม่ซึมซึมไม่เบอ่ Making ์เบอรหรืออื่นอาจยืดย่ายหรือท้อแทะเบื่อหนายแข็งแรงขอเราเข้มแข็งความรู้สึกของเราเข้มแข็งมันก็ไม่มันก็มีความต้านทานสูงเรยจะอยู่กับอะไรอะไรมันก็ไม่ท้อแทะไม่เบื่อหนายไม่เซ็งหรือไม่เบื่อเพราะเราจะเบื่อชีวิตประจำวันทั้งสามสากมเจสามสากเราจะเบื่อถ้าเรารู้อย่างนี้ พอรู้ตัวจะไปเบื่อทําไมอ่ะความคิดมันคิดเบื่อเราจะไปเบื่อได้ไงมันหน้าที่อย่างนี้ให้รู้จักหน้าที่นะเรารู้จักหน้าที่เราก็ต้องทํำทํางานทําการทํางานทำต่าหน้าที่นั่นพอเรามาเบื่ออย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วะถ้าเบื่อใช้ไม่ได้ะอเราจะไม่ไม่ให้มันเบื่อยู่ปรับให้มันมีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เต้นอยู่สุขไปได้อย่างนี้เป็นไปเพืไม่ทุกข์อย่างนี้ไม่มีทางทุกข์เลย อ่านะเราก็จะรู้จักตัวเองอย่างนี้เรียกรู้จักธรรมชาติก็ได้ทจริงตัวเราไม่มีหรอเรียกตัวเราเนี่ยแหละภาวะธรรมความรู้สึกของเราแต่ไม่ใช่ของเราความรู้สึกเราอยู่กับความรู้สึกอันนี้แล้วเราลงจากที่แก้ไขหรือปรับความรู้สึกให้มันสมดุลให้มันมีความพอดีมันก็สบายสิเดียถ้าพอเรารู้ความรู้สึกมันจะไม่โกงแต่ง ยังไงเดี๋ยวนี้หยุดไหมความรู้สึกมันไม่คิดพอมาเห็นความรู้สึกมันไม่คิดอย่างนี้เลยว่ารู้ตัวรู้ความรู้สึกมันจะไม่คิดงันพอละขณะนี้เราไม่เห็นเป็นเรารู้สึกมันจะคิดล่ะรู้สึกอะไรอะไรไปเรื่อยๆมันจะออกนอกตัวถั้นพอมาเห็นนี่มันจะหยุดเลยเราไม่ได้ไปบันคับมันจะไปขมกดเลยแล้วเราจะรู้ด้วพอเรารู้ความรู้สึกนี่มันหยุดนะเนี่ยนิพายอะไอยู่ตรงนี้ สามยุดคามรู้สึกมันยึดอยากก็ไม่มีไม่อยากก็ไม่มีต้องการก็ไม่มีไม่ต้องการก็ไม่มียินดีอินรล่ก็ไม่มีเนี่ยมันไม่มีเนี่ยเรียกเรื่องจิตว่างไอ้ยังไม่ต้องไปทําเลยเขามารู้อย่างนี้จิตมันเะว่างโลภะโทสะโมหะก็ไม่มีเขาเตือนตัวรู้ตัวแต่นนี้เราต้องฝึกดูอยู่เรื่อยๆ ถ้าเผลอมันจะวุ่นถ้ า, า, บบ า, ารู้มันก็จะว่านี่แหละครับว่าเจริญสติก็หมายถึงว่าคอยระลึกรู้อย่างนี้นะสติแปลว่าเราลึกได้ก็คอยระลึกรู้อย่างนี้ว่าสมาไประลึกอย่างอื่นไม่ระลึกรู้อย่างอื่นไม่หมดไม่ได้ระลึกรูดด้ตรงนี้นะร ะ, ะลึกลดูสิโอ้เป็นความรู้สึก ส, บสงบเย็นใช่ไหม คามรู้สึกเย็นไหมหรืออารมณ์ดีเนไหมอารมณ์เย็นแล้วอารมาไม่มีทางร้อนเราไม่มีปัญหาอะไรแล้วถ้าไม่มีอะไรเนี่ยจะปกตินี่ก็เป็นไปเพื่อสบายอย่างนี้ก็ไม่มีทุกข์จริงนะเนี่ยนะเราก็ตาดูเราเองเห็นควารู้สึกเนีย่ยฟังเสียงยินเย็นรู้สึกฟังเสียงนนั่งอยู่ให้ก็ยิเห็น เป็นไงยังเห็นสบายมานั่งอยู่ก็สบายตาล้วก็ดูหูล้วก็ฟังแต่ยังเห็นความรู้สึกรู้สึกสบายไม่ปวดเมื่อยเนี่ยรู้ได้เดียกอย่างนี้รู้โ่วถึงรู้รู้ทษถึงทั้งานั้นเขามารู้กายรู้ใจหรือรู้รูปรู้นามเดียวกันก็รู้ทำไมเขาบอกไงสวยมากครูบาอาจารย์ก็สอนให้รู้แต่รูปรูปรูปร แล้วรู้แล้วไม่แก้ไขไม่อะไรมันจะไปดีขึ้นได้ยังไงไม่มีทางดีอ่ะแต่รู้อาจจะเบาลงหน่อยอ่ะแต่ถ้ารู้จริงๆนี้เราจะรู้สึกว่ามีความสุขยนนี่เนี่ยถึงนี้เรียกว่ามีความสุขไปไหนมาไหนยืนเดินนอนเหมือนกันเราเดินเหมือนเดินไงถึงเบาแขนเบา้าดีเบานื้เบาตรวเหมือนก็ที่เรานั่งยืนเดินนั่งเนาะ เมือนงาเดียบทั้งสี่ให้รู้เหมือนที่เรานั่งก็รู้จะแก้ไขด้วยเดินเดินยังไงถึงอย่ไม่ปวดเมื่อยเดินยังไงม่เสียกําลังขาเดินยังไงถึงมีถอย่าสบายแข้งสบายขาเนี่ยนอกจากไม่ปวดเมื่อยแล้วยังสบายอีกหรือมันปวดเมื่อยก็เดินยังไงหายปวดหายเมื่อยมันไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็เดินยังไงอยากเพื่อไม่ให้มันปวดเมื่อยถ้าเรารู้อยู่มันปวดเมื่อยไม่ไ อันนี้ก็ต้องทําเอาเองต้องรู้เอาเองดูเอาเองในหลวงพ่อเจ็ดิบปานี่ไม่มีไม่มีเรื่องปวดเมือ่อยแต่มันปวดเมือ่อยเพราะเราเคยแก้อยู่เรื่อยๆมันจึงไม่เป็นนะยังไม่มีอาการเรื่องปวดเมื่อยมันมีแต่เราเคยแก้อยู่เรื่อยมันมีแต่เราแก้อยู่เรื่อยๆนะอย่างนี้บางคนไม่รู้เ่ยเขาจะปวดปวดแล้วเคยเมื่อยแล้วก็พอไม่เคยไปปวดเมื่ใคร เราจะแก้ไขแก้ไม่ได้เราก็เฉยเฉยก็อย่างนี้เองเห็นความปวดเห็นความเจ็บความปวดมันปวดอย่างนี้มันเจ็บอย่างนี้เราก็เฉยต่อสิ่งนั้นเดี๋ยวมันเต้นมากแล้วก็ทนได้เออก็อย่างเนี <RY> no ้อ no ่ะแต่อย่าเอาไม่เอามันเป็นอย่างนี้เพราะเราแก้ไขล้วแก้ไม่ได้เออเราก็พอใจมีความพอใจมีความยินดีในสิ่งที่มันเจ็บมันปวดหรือไม่เจ็บไม่เจือล้วก็เหมือนกันให้เห็น เป็นอย่างนั้นเงียเห็นภาวะธรรมหรือเห็นธรรมะไม่เช่นเราเราเจ็บเราโกรธอย่างนี้ไม่มีทางเห็นนย่างสองอันนั่มนเห็นความรู้สึกรู้ได้นะต่างกันไหมมันจะเบาเลยนะแล้วก็ไม่อ่านไม่กัน้นนะธรรมดามันจกอ่านมันจะกัน้นถ้าเราไม่รู้มันจะเกงนะไอ้บางอย่มันจะเบาเลือดลมมันจะเดือดพลุเป็นการรบำบัโดโรคภาในตัวแล้วจิตใจแล้วก็ไม่อ่านไม่กั้นก็ไม่เครียด จิตใจก็สบายนะดิถ้าไปอ่านการมันก็ไม่สบายแล้วพเราไม่ได้กําหนดเราไม่ได้กําหนดรู้ว่าไม่ได้รู้ว่าเป็นทุกข์เป็นสุขเนี่ยเราล่วงเลยอันนี้ไปมันได้อย่างนี้ก็อฏิบัติเวารู้อย่างเนี้ถ้ารู้อย่างนี้ก็ได้ผลทันทีเนี่ยเป็นมักเป็นผลอยู่ในตัวเสร็จไม่ใช่ไปรอมรกผลเมื่อไหร่เนาะอ่าแต่ว่าได้อันนี้อมได้เห็นอย่างนี้อ่าตอนนี้ทําให้มัน ให้มันอยู่ตัวให้มันชินเราไม่ลืมเลยนั่นเราถึงจะได้แท้ๆเลยเหมือนเราได้เงินได้ทองอันนี้เพียงจะรู้จักนะตอนนี้เรามีเงินมีทองแล้วนะัเดี๋ยวจะได้มากได้ผล น, นี่เราจะใช้ชีวิตอยังไงโอ้มีค่านี่ราคะชีวิตถึงจะมีความหมายเพราเราไม่รู้จักอย่างนี้ชีวิตมันไม่มีค่านี่ราคาถึงมาปฏิบัติธรรมไม่รู้จักอย่างนี้ก็ทาไม่ทำไปจนตาย เนี่ยอย่ามากก็ดีขึ้นหน่อยนะแต่ยังทุกอยู่นเห็นได้เดี๋ยวนี้เลยทําเดี๋ยวนี้ก็ต้องรู้จักเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ดูเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นก็เป็นอย่างอื่นแล้วอนี้มือบางหัวเข่ายังรู้ตัวอยู่นะตื่นตัวให้เรารู้อย่างนี้ยังรู้ตัวอยู่รู้กายรู้ใจอยู่สบายยังเห็นสบายตรวจดูิกมือขึ้น อย่างเห็นอยู่เอาขึ้นมาก็ยังเห็นความสบายนั่นเองเห็นกายเห็นใจแล้วสบายโผ่เบานะแล้วไม่ทุกข์ไม่มีทุกข์เป็นปกติเราขึนไปเฉยเอย่างทําไปเฉยเฉยไม่ต้ไปมุ่วงอะไรได้เห็นกายสบายไปหวังอะไรเลยรู้ความสบายนี่รู้มันเบาก็แล้วนะ บบาคลายเบาหัใจจิตใจไม่ไปไปหมกบุญไม่ไปขอเกี่ยวไม่ไปผูกพันกับอะไรนี่นั่นแหละเรียกว่าไม่ยึดถือเป็นครูปายใจจะสอนไม่อยาไปยึดจะไม่ถือมันเป็นเองเรารู้ที่ไหนถ้าไม่รู้จักมันก็ยังยึดอยู่นั้นแต่ยี่เราเห็นเลยความรู้สึกเราไม่ยึดไม่ยึดถืออะไรไม่มีอะไรกับอะไรว่าั้นนี่อย่างเียเรียกว่าอิสระ อิสระจากอะไรอะไรนั่นคนราธรรมดาเนจิตใจไม่เป็นอิสระเขาไม่รู้จักอย่างนี้แต่ถึงรู้จักนี้ก็ยังทาไม่ต่อเนื่องมันก็ยังมีอ่ะนะเราทําไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นความปล่อยความวางเราจีนี่ว่าให้รู้จักความปล่อยความวางเนี่ยอย่างเนี่ยคือความปล่อยความวางอย่างนี้จิตมันไม่ติดไม่ยึดจิตเป็นอิสระ หรือเป็นธรรมชาติเห็นภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเราเห็นภาวะเนีย่ยเป็นภาวะความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกก็สักวาอ๋อความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีหลักนี่อย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติหรือเรียกว่าธรรมะเห็นธรรมะแต่ว่าเห็นอย่างนี้หรือมีดวงตาเห็นธรรมหรือเห็นอย่างนี้ ยังไงแมราไมมีความรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรด้วยมือเขาเคลื่อนไปเฉยๆก็รู้ได้เป็นไปเพื่อเบามือเบาแข้งก็เบาอ่ะตัวรู้เรารู้ได้นี่รู้ให้มันเป็นไปยังไงได้เลยนั่งอยู่อะไรเหมือนกันก็รู้นะก็รู้อ่ะที่รู้อ่ารู้ให้เป็นไปงไงก็รู้มันปวดเมื่อยก็แก่ได้ก็รู้ว่ารู้จักเคลีรายรู้จักพนคายเคลื่อนในนี้ก็เห็น มันก็ไปดูหรอมันรู้ได้บางทีไปจอ้องดูเพ่งดูอยู่ที่ความเคลื่อนไหวแล้วบางทีบางทีก็เครียดบางทีก็สงบได้ไไนั่นกันแต่สงบมันไปจมอยู่ไปติดอยู่ที่ความเคลื่อนไหวแต่มันไม่รู้กายแล้วบางทีนั่งนานๆเดี๋ยวปวดเมื่อยแล้วถ้าอย่างนี้ทําำมันจะไม่เปิดง่ายๆจะไม่เบื่อจะไม่เซ็ เนีย่ยทำไปเฉยๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้แต่มันก็ไม่เสียแต่ก็รู้ว่าเป็นไปเพื่อมันดีเป็นไปเพื่อไม่มีทุกข์เนี่ยนันการปฏิบัติการหลักพุทธศาสนาพี่เจ้าก็สอนอันนี้เลยสอนเรื่องความดับทุกข์เนี่ยคนรู้่ววันนี้ไม่รู้จักอย่างเนี้ยลอยทางลอยนะนอกจากไม่รู้จักทุกข์ก็ไม่รู้จักขี้คายไม่รู้จักแก้ทุกข์เรียังไปเพิ่มทุกข์อยู่เรื่อย น่าเป็นเวรกรรมน่าเหลือบาปทั้งนั้นเลยไม่รู้จักแค่นี้หรบาปหนักหาความสุขไม่ได้เพราะนันคอรออยู่นะดินลนมันอยู่ไม่เป็นสุขมันถึงเปลืองต้องเองินต้องไปซื้อหาต้องไปแสวงหาความสุขแล้วก็ดินรนนี่ก็ดินรนไปแสวงหาไปหาเงินหาทองเพื่อไปซื้อความสุข อะอย่างเงี้ยอยากก็ไม่มีไม่อยากก็มีดูให้ดีๆพอมันหยุดคิดเห็นความรู้สึกมึงดูให้นานๆอยากก็ไม่มีไม่อยากก็ไม่มีนะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากนะความรู้สึกเขาไม่อยากความรู้สึกอยากไม่มีไม่อยากก็ก็ไม่มีไม่อยากก็ไม่มีนะบางทีเราสอนมันเนี่ยเพราะความอยากเออเราก็อย่าอยากสิอย่างนี้ไปข่มไปกดนี่ไม่ใช่เลย นี่พอเห็นนี้ครับเรียบร้อยเนี่ยะถึงเรียกว่าเข้าถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์หรือเรียกว่าภาวะเดิมของภาวะเดิมแันนี้เขาบริสุทธิ์อยู่แล้วเขาไม่มีทุกข์นี่เขาเราไม่รู้เราไม่คิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆมันยังมันจึงวุ่นวายถ้ารู้อย่างนี้รู้ให้ต่อเนื่องจะไม่ถูกปรุงแต่งมันจะรู้จักขจัดรู้จักสลัดออก แต่ทำยิงชิ้นชิ้นไม่ต้องไปสลัดม่เกิดไม่ได้เนี่ยเข้าถึงความไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับหรือเข้าถึงความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บตายก็หมายถึงไม่มีอะไรเกิดมันรู้จิตใจนี่ความรู้สึกไม่มีอะไรเกิดไม่มีไปไม่มีมามีแต่ธรรมชาติล้วนๆเฉยๆแม้แต่สุดทุกข์ก็ไม่มีเฉยเยเรียกอะไรไม่ได้ นั่นเลยือธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติทีรร่บริสุทธิ์เหมือนน้ําที่สะอาดสอาดเราก็เรียกว่าน้ําสะอาดแล้วจริงๆเรียกถูกตัวที่ไหนที่สะอาดสะอาดยังไงเมื่อเราตาดูถึงนี้เห็นโอ้นียมันไม่ใช่คําพูดหละมันไม่เห็นจิตใจแล้วนั่นเรียว่า ส, สินสินสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นสินสินสมาธิปัญญา เห็นแบบว่าสะอาดเลยจิีใจไม่มีอะไรไม่มีอิจฉาลิสยาอาคาตพยาบาทความมุ่งล้ายะอะไระมันไม่มีหมดรู้อย่างนี้นะเนี่ยตาดูรเราเองเห็นอยู่ต้องให้เห็นเป็นประจำตอนนี้ไม่เห็นแล้วก็ต้องหันเวลากระทบสัมผัสก็อย่าลืมถึงมันมีขึ้นแล้วก็เอ้ยอืมรู้ตัวแล้วอย่าให้มันเกิดอย่าให้เกิดยินดียินร้าเกิดพอใจในพอใจ นี่จบแล้วเราด้อยใจทำไม่ตเนื่เนี่ยอยู่กับการกลังก็ทำได้ไปไหนมาไหนอยู่กับการกเตืนื้อตตัวมไม่เพลินไม่ไปเพินกับอะไรแม่แต่เออมันไม่สงบไม่เฉยเฉยไม่จะเห็นเฉยเฉแล้วก็เพินอยู่นเราจมอยู่กันน่ะเรียกว่าเห็นปัจจุบันให้รู้แต่ไม่ใช่จมอยู่กับปัจจุบันบางคนก็จมอยู่นะพเห็นเฉยเฉยสงบเพินเพเพินอเพลินะเขามัก็ลืมคิด ปุดังเลัเนี่ยวันเช้าเมื่อวานนี้เองที่ภาคกล้วยที่โฆษณาในก็โทเนี่ยเขาก็เขาไปนั่งหลับตาดีใ่หมแล้วก็เห็นมันว่างๆนะเขาก็เขาเห็นเห็นเป็นโครงกระดูกเนี่แล้วเดี๋ยวพอเห็นว่ามันเน่าด้วยมันเน่ามันเหม้นอ่ะมันก็มันเหม็นอินด้วยขึ้นเหียนอาเจียนออมาทันทีเลยเนี่ยเห็นความคิดพู่แดงใช่มัุ เนี่ยลืนตัวแล้วคือไม่เห็นนี่ถ้าเห็นที่ไม่มีทางเป็นแบบนะั้ก็เกิดจากความคิดบูมต่า ง, งแต่อันนี้ก็มันในมหาว่าห้ามไม่ให้ไปคิดุูมต่างเดี๋ยวนี้เราก็รู้อะไรได้มาจากไหนเราทำอะไรอยู่ทำหน้าที่อเรานึกถึงเหตุการณ์ของเราที่ผ่านมาก็ได้เดี๋ยวนี้เรามาอยู่ที่นี่เราก็รู้ตัวอย่างนี้นะ ไ, ไม่ใชดนึกถึงอะไรไม่ได้ เนี่ยรู้อดีตรู้วนนั้เขารู้บัตรอยู่บ้านแต่ไม่เป็นติดไม่ไป็นมเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็สั์ก็ไว้เห็นเห็นแล้วก็ผ่านไปผ่านแลก็ไม่มีอะไรใ้จิตใจก็ไม่มีอะไรไม่มีวิตกกังวลนะพขาไม่จะรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยถ้าเรารูไปเรื่ยรู้อะไรเป็นอะไรเราจะไปวิตกกังวลทําไมวิตกกังวลนี่มันเป็นทุกข์แล้วมาได้อะไรขึ้นมามีอะไรก็แก้ไขไปรู้อยากแก้ไขรู้จากพัฒนา รู้จ so ักการรู no like ้จักแก้ก็รู้จักการรู้จักแก่จะเป็นไปเพื่ามันรู้เท่าทันแต่ยังไม่ทุกแต่ยังไม่รู้เท่าทันถ้เรารู้จักการรู้จักแก้รู้จักกันเนี่ยมันก็ทบมผัสเราเคยโดนหงิดลังคาแต่นี้เราอันนี้ไม่เราหงุดหงิดลังคานี่ยเราก็เคยรู้ผ่านเรื่อยๆมันก็จะทันกันเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ากันนะ้ ถือไม่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ได้เราก็ดูไม่เฉยๆเอ้ามันเกิดขึ้นแลมาดูความรู้สึกก็ไม่มีอะไรไม่มีมันก็ไม่มีแล้วก็อย่าไปจมอยู่กับนั้นนะที่จมในเร่อที่ความคิดขอเวลาเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็ไปย้ำคิดย้ำรู้ย้ำทำอยู่มันจะติดแหละอย่างนี้ถ้าเรารู้เราก็ผ่านรู้เราไม่ติด่เราต้องเห็นจิตเจ่า เราลุ้อะไรเป็นอะไรก่อนเราเคยเคยมียินดียินรลน์แต่นี้เราดูเราก็ ร, รู้วออ่าดูที่มันยินยินไลน์มันมียินดีแล้วก็รู้มันเกิดยินดีเราก็รู้ไม่ให้มันเกิน ไ, ไม่ให้มันเลยเถิดไปนะยินรลน์ก็ไม่ให้มันเลยเถอดไปชีวิตเราก็ปอดภนี่อะไปฏิบัติเพื่อรู้อย่างนี้ไม่ใช่มาทําอย่างนี้ให้มันเป็นอะไรเราเคลื่อนไหวเพื่อจะรู้นะใช่ไ right? สายความเคลื <cin> <and hell> ize, ่อนไหวนั่งเฉยๆแล้วก็รู是是 taki, ้ได้อย่างเมื่อกี้นั่งเฉยๆแล้วก็รู้ได้แต่นี่อย่างนี้ก็เพื่อเมื่อเป็นการมีทางเคลื่อนไหวมากำกับอีกทีเป็นอุบายกำกับอีกทีอาศัยเคลื่อนไหวทีเราก็ยังเห็นอยู่เพื่อยั่งจะไม่เคยชินกัรนี้เนี่ยเราเคลื่อนไปทียังเห็นเคลื่อนไปทียังเห็น ยังไงเบามือเบาแขนด้วยเป็นไปสบายมือสบายแขนนี่ทำแล้วมันจะไม่เบื่อมันจะไม่ต้องแบบฝืนใจทำํำขืนใจทําอมือนนั้นต้องฝืนใจทำํำขืนใจทําเพราะอยากจะอยากจะพ้นทุกข์อะไรต้องฝืนถ้าอย่างนี้ลองดูความรู้สึกไม่ต้องฝืนหายใจเข้าออกให้สบายก่อนทําแล้วต้องเปลี่นไปให้มันสบายก่อนปรับทั้งอยู่ตัวก็เรียกามีปกติให้มีภาปกติแล้วะดม ถึง ค, ค่อยๆเจริญคือเห็นความปกติแล้วก็จเจริญความปกติอนั้นให้เราเห็นความปกติอันนั้ น, านาตาม อ, อย่างนี้ถ้าสวยมาออกเลยนะพอถึงเอาเลยใจก็เคลีตั้งแต่นันแต่ไม่เห็นละกายเห็นกันนะเห็นก็เห็นก็มันไม่เห็นไม่ชัดเห็นรวมๆมันไปนะที่มันอยู่กับความรูงกายรู้ใจจริงๆ แต่ก็ไม่เย้จมอยู่กับก า, า, า, ายกับใจรู้อย่างนี้ก็ได้แต่ไม่ทิ้งกายไม่ลืมทายไม่ลืมใจอย่างนี้อันนี้ต้องใช้เวลาดูอานศึกษารให้รู้จักอ่ามันเป็นไปไงมันเป็นอย่างไงมันเป็นไปอย่างไงมันเป็นอย่างไงมันเป็นมันเป็นไปอย่างไงเราต้องการเนี่ยมันเป็นอย่างไงเนี่ยรู้จักได้เลยต่อย่าง <c ười> เป็นไปอย่างก็ได้